ตอนที่สิเจ็ต้องมีวิสัยทัศน์ภายใต้การทดลองลงมือทําของซุนจิ๋วหลิงในที่สุดเนื้อมอแรกก็ทําเสร็จเสียทียังไม่ทันได้กินแค่ได้กลิ่นหอมที่ลอยมากับไอ้น้ำน้ําลายในปากของชิ้นเสียย่ยวเย่าก็ไหลสอราวกับทํานบแตกเสียแล้วชิ้นเสี่ ย, ยวเย่าดูเจ้าสีย่งสู้ต้าฮวาและเสี่ยวสวี่ไม่ได้เลยซูม่านอินเ อ, อ๋ยตําหนิแต่ก็ยังหั่นเนื้อชิ้นเล็กๆสองสามชิ้นใส่ลงในชามแล้วยื่นให้เพื่อนรักที่เป็นลูกสะใภ้ด้วยเอาเอาไปกินกับต้าฮวาและเสี่ยวสวีเ่เถอะ ให้แค่เนื้อนิดเดียวเองเหรอชินเสียวเย่าทำปากยื่นอย่างไม่ค่อยพอใจแถมมินต้องแบ่งกันกินสามคนอีกนี่คือเงินทางแรกของเรานะถ้าเจ้ากินหมดแล้วต่อไปจะเอาอะไรไปทำเงินละ่ะซูมานอิงหยิบปายจีหมูขึ้นมาหนึ่งแผ่นใช้มีดทำครัวที่เพิ่งหั่นเนื้อกรีดเปิดออกจากนั้นก็ใช้ช้อนตักน้ำพะโลราดลงไปเล็กน้อยถ้าหิวก็กินนี่สิอิ่มท้องแน่นอนชินเสียวเย่รับปายจีหมูมาในแววตาเต็มไปด้วยความดูแคลน แม่เล็กทำไมพวกเราต้องทำตัวน่าสงสารขนาดนี้ด้วยละ่จะเจ้าจงพอใจเถอะที่เขาว่ากันว่าหากไม่ผ่านความหนาวเหน็บเข้ากระดูกมีหรือจะได้กลิ่นหอมของดอกเม้ช่วยมาแต่จมูกเอาละละข้าผิดไปแล้วข้าจะก้มหน้าก้มตาทำหมงเงียบๆก็แล้วกันซุนจิ๋วหลิงที่อยู่ข้างๆได้ยินซูมา่านอินท่องบทกวีก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจแม่คะแม่เคยเรียนหนังสือด้วยเหรอซูมา่านอินยิ้มพรางพยักหน้าอืมเคยเรียนสีแล้วจะไม่เคยเรียนเหรอ ซุนจิ๋วหลิงสายหน้าอย่างเขินอายซูมานอินจึงเครื่องกระหนักได้ว่าตนเองน่าจะพูดผิดไปเสียแล้วซุนจิ๋วหลิงมาจากชนบทในยุคสมัยที่ยากลําบากเช่นนั้นเป็นไปได้สูงมากที่นางจะไม่ได้เรียนหนังสือสมองข้าไม่ค่อยดีแถมที่บ้านก็ยากจนก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือเท่าไหรค่ค่ะซุนจิ๋วหลิงพูดไปพลางมือก็วุ่นอยู่กับการจัดเตรียมของพางเล่าเรื่องที่บ้านให้ฟังที่แท้นางเป็นลูกคนที่สี่ในบรรดาพี่น้องทั้งหมดมีพี่สาวสองคนและมีน้องชายอีกหนึ่งคน ไม่ถูกสี่ถ้าเจ้าเป็นคนที่สี่ทำไมถึงมีพี่สาวแค่สองคนละ่ะชินเสียวเย่เว่ที่กำลังแทบหมชุ่มน้ำพาโลอยู่ถามขึ้นด้วยความสงสยัยเจ้าควรจะเป็นคนที่สามไม่ใช่เหรอก่อนหน้าข้ายังมีพี่สาวคนที่สามอีกคนค้าแต่ตอนอายุสามขวบนางล้มป่วยรักษาไม่หายก็เลยตายไปเมื่อนึกถึงเรื่องในอดีตซุนจิวหลิงก็ทอดถอนใจออกมา แม่เล่าให้ฟังว่าพี่สามหน้าตา ส, สวยมากตอนที่จากไปนางยังอยู่ในอ้อมกอดของแม่แท้ๆยังอุตส่าห์เอื้อมมือมาเช็ดน้ําตาให้แม่แล้วบอกว่าอย่าร้องให้เลยนะซูมานอินฟังเรื่องที่ซุนจิ๋หลิงเล่าแล้วก็รู้สึกโชคดีที่ตนเองไม่ได้ทะลุมิติมาเกิดในยุคนั้นจริงๆแม่ของเจ้าช่างยิ่งใหญ่นักผ่านไปครู่ใหญ่ซูมานอินจึงเอ่อยออกมาเช่นนั้นตอนเที่ยงซูมานอินบอกให้ซุนจิ๋หลิงไปเรียกโจวว้วหมิ่นมากินข้าวที่บ้านด้วยกันแม่คะเนื้อพวกนี้ไม่ได้เก็บไว้ขายหรือคะ ซุนจุหลิงถามอย่างไม่เข้าใจซูมานอินทำราวกับเล่นกนันางหยิบชาใบใหญ่ออกมาจากตู้กับข้าวไม้ที่อยู่ข้างๆในนั้นยังมีเนื้อก้อนเล็กๆเหลืออยู่อีกหนึ่งชิ้นแม่จงใจเหลือเนื้อไว้หน่อยนะเอาไว้ห่อเกี๊ยวเป็นมื้อเที่ยงได้แค่นั้นเดี๋ยวข้ากลับบ้านไปตัดกุยช่ายมาเพิ่นะคะที่สะพ้รองยังมีผักกาดดองเหลือไหมฉินเสี่ยวเ ย, ยว่ว่ามอยงคนตะกละเกี๊ยวใสผักกาดดองคราวก่อนข้ายังกินไม่จุดใจเลย หมดแล้วจะคราวก่อนบังเอิญเจอคนขายพอดีไว้วันไหนมีตลาดนัดถ้าค่าเจอะจะซื้อมาอีกนะตลาดนัดในตัวเมืองอำเภอเนี้ยังมีตลาดนัดด้วยหรอแล้วในตลาดนัดใหญ่ๆแบบนั้นจะมีคนขายเนื้อหรือเปล่านะความคิดนี้ผุดขึ้นมาในหัวของซูมานอินแต่เมื่อถึงเวลากินข้าวตอนเที่ยงโจวเวยหมิงกลับบอกว่าทําไม่ได้เนื้อหมูเนื้อแพะพวกนี้ต้องไปซื้อที่ร้านจําหน่ายอาหารเสริมฟู้สือพินเตี้ยนเท่านั้นครับโจวเวยหมิงอธิบายพลางที่เกี้ยวเข้าปาก ตลาดนัดในเมืองของเราอย่างมากก็ซื้อได้แค่พวกมันเปลวไส้ผักกาดดงคราวก่อนก็ใช้โยจือเลอือกที่เหลือจากการเจียวน้ำมันมาครุกนั่นแหละคะ่ะสุนจิ๋วหลิงช่วยอธิบายเสริมชินเสี่ยวเยเวมองซูมานอิน in, ด้วยความมุนงงแล้วกระซิบถามว่าโยจือเลอือคืออะไรเหรอก็คือกากหมูที่เหลือจากการเจียวน้ำมันหมูนั่นแหละซูมานอิน in, อธิบายเรียบเรียบในเมื่อมันเปลเริ่มปล่อยให้ขายเสรีได้แล้วคาดวันเนื้อก็คงอีกไม่นานหรอก ในความทรงจําของนางคูปองเนื้อจะถูกยกเลิกก่อนครูปองอาหารและปี1 9ึ2นี้เองที่เป็นปีสําคัญดังนั้นนางจะต้องรีพอโอกาสทองในการเริ่มต้นธุรกิจนี้ให้ได้ก่อนใครที่บ้านของโจเตอซุนซึ่งอยู่ถัดไปอีกถนนหนหวังเกวฮารเพิ่งทํากับข้าวเสร็จโจวไว้กัวลูกชายคนเล็กก็เดินหน้าบึ้งเข้ามาในบ้านพอเห็นว่าบนโต๊ะมีแต่มันฝรั่งผักกัดขาวและผักดงใบหน้าของเขาก็ยิ่งมืดมนลงไปอีกเป็นอะไรไปละลูกชายแม่ หวังเกว้ยไฮยื่นผ้าขนหนูที่บิดจนแห้งให้อยา ก, กินเนื้ออีกแล้วเหรอโจวี่กัวรับผ้าขนหนูมาเช็ดหน้าลวกๆแล้วยนกลืนให้แม่เหอยพี่รองกับครอบครัวไปกินเกี๊ยวที่บ้านป้าสะพ้ายใหญ่กันหมดเลยพวกเขาไม่เรียกพวกพ่อกับแม่เลยสักคำโจวี่กัวพูดอย่างขัดใจข้าแอบฟังอยู่ข้างหลังได้ยินชัดเจนเลยว่าเป็นเกี๊ยวไส้หมูสับกุยช่ายด้วยนะอะไรนะพวกเขาไปกินเกี๊ยวที่บ้านแม่ไม้น้อย น, นันแถมยินเป็นไส้เนื้ออีกเหรอ โจเตอซุ่นที่นั่งขัศมาธิอยู่บนเตียงข้างพอได้ยินลูกชายคนเล็กพูดเช่นนั้นก็โกรธจัดแม่ไม่น้อยล้างผานสองคนนั้นนี่ก็จะผานเงินชดเชยของพี่ใหญ่ให้หมดเลยใช่ไหมนางซูมานอินคนนี้ช่างมีเล่ห์เหลี่ยมแพล่พ ร, ว, พรวนักถึงกับดึงตัวครอบครัวเว่ยหมินไปเข้าพวกได้หวังเ้ยฮวาโกรธจัดเมื่อก่อนพวกเราถูกนางหลอกใช้เป็นเครื่องมือแต่คนเขากลับเขีย่ยพวกเราทิ้งตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้จะปล่อยให้พวกเขาวุ่นวายแบบนี้ไม่ได้ โจเตอซุ่นพูดพางลงจากเตียงข้างมาสวมรองเท้าเตรียมจะออกไปจัดการศักติ์สิแต่พอเท้าเพิ่งจะ ก, ก้าวพ้นธรณีประตูเขาก็หดขากลับมาเว่ยกัวเจ้าบอกว่าเว่ยหมิ่นที่รองของเจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วยเหรอใช่ครับพวกเขาไปกันทั้งครอบครัวเลยโจเตอสุ่นขมวดคิ้วมุ่นก่อนจะหมุนตัวกลับขึ้นไปบนเตียงข้างตามเดิมพ่อทําไมไม่ไปแล้วล่ะโจเว่ยกัวสงสัยแต่หวังเกื้อฮาที่อยู่ข้างๆกลับเข้าใจดีสามีของนางกําลังเกรงใจโจเว่ยหมิน เจ้าเด็กนั่นดูเหมือนจะเป็นคนซื่ อ, อแต่ถ้าต้องปกป้องคนของตัวเองขึ้นมาจริงๆต่อให้มีโจเตอซุนสามคนก็ยังสู้ไม่ได้กินข้าวเถอะเรื่องนี้ยังต้องวางแผนกันใหม่โจเตอซุนคํานวณในใจพลางดึงตัวหวังเกวหาผู้เป็นภรรยามาใกล้ๆเกวหาพรุ่งนี้เจ้าเข้าไปในตัวเมืองอําเภอโทรศัพท์ไปหาทางโน้นดูหน่อยดูซิว่าทางนั้นพอจะมีเส้นสายอะไรบ้างไหมหวังเกวหาได้ยินว่าจะติดต่อทางโน้นดวงตา ก, ก็พลันเป็นประกาย ควรจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วพวกเขาต้องยอมเสี่ยงตั้งมากมายสุดท้ายจะมาใช้เงินแค่ไม่กี่ร้อยหยวนมาไล่ส่งกันแบบนี้ฟันไปเถอะหลังมือที้งซูมานอินรั้งตัวโจ้ยหมิ่นไว้การตั้งแผงลอยจําเป็นต้องมีเตาขนาดเล็กเนื้อนี้ต้องรักษาความร้อนไว้ตลอดเวลาส่วนโมโมนี่ก็ต้องร้อนๆถึงจะอร่อยซูมานอินึกถึงรสชาติในความทรงจําพรางหยิบปากกามาวาดลงบนกระดาษรูปร่างคราวๆก็ประมาณนี้ไว้หมิน่น นายพอจะหาเตาและอุปกรณ์ทำอาหารแบบนี้ได้ไหมเจวเวมินมองดูอยู่ครู่หนึ่งพลางครุ่นคิดแล้วพยักหน้าไม่ซับซ้อนครับที่บ้านมีถังน้ำมันเก่าที่ไม่ได้ใช้พอดีเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะไปถามเพื่อนที่โรงงานเครื่องจักรดูตอนเย็นจะมาให้คำตอบนะครับได้เลยพรุ่งนี้ธุรกิจของแม่เล็กจะเปิดตัวได้ราบรื่นหรือไม่ก็ต้องฝากไว้กับพวกเจ้าสองสามีภรรยาแล้วนะ ซูมานอินพูดหยอกล้อแต่โจเ ว, ว่หมินและซุนจิหลิงกลับรู้สึกมีกำลังใจอย่างมากยากนักที่จะมีใครเชื่อมั่นในสามีภรรยาที่ซื่อสัตย์อย่างพวกเขาขนาดนี้เว่ยหมินน่มีความคุ้นเคยกับหลักการทางกุลาศาสตร์ขนาดนี้แถมยังมีเพื่อนฝูงแบบนั้นควรจะตั้งใจเรียนและหาความรู้เพิ่มเติมนะซูมานอินพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้ามีความสามารถต่อไปในอนาคตจะเปิดร้านซ่อมเองก็ได้ แม่ขะตอนนี้เว่ยหมินเป็นพนักงานของโรงงานท่ผ้าของรัฐงานมั่นคงมากเลยนะคะซุนจิ๋วหลิงพูดด้วยความภาคภูมิใจซูมานอินถอนหายใจความมั่นคงนี้จะอยู่ได้อีกไม่กี่ปีหรอกถ้าช่วงนี้ไม่รีพอโอกาสไว้พอพลาดจังหวะสาคัญไปก็จะสายเกินแก้เว่ยหมินจิ๋วหลิงพวกเจ้าต่างก็เป็นคนหนักเอาเบอลสู้เอาเป็นว่าแม่สนับสนุนให้พวกเจ้าไปเรียนโรงเรียนภาคเ่ําเรียนรู้สิ่งต่างๆไว้ให้มากไม่เสียหลายหรอก ซูมานอินหวังจากใจจริงว่าทั้งสองคนจะสามารถใช้ความสามารถของตนเองก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความร่ำรวยได้เอาแบบนี้ถ้าวันหน้าพวกเจ้าตัดสินใจได้แล้วค่าเรียนโรงเรียนภาคขําแม่จะออกให้เองเป็นไงชินเสียวเย่เว่ที่อยู่ข้างๆดาวความคิดในใจของซูมานอินออกจึงช่วยเสริมว่าถ้าไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกฉันจะช่วยเลี้ยงให้เองพูดมาถึงขนาดนี้แล้วหากโจเวหมิ่นและภรรยายัางไม่ตกลงก็จะดูเป็นการเล่นตัวเกินไปหน่อยตกลงครับผมจะฟังคำของแม่เล็ก โจเวมินนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาเขาตัดสินใจที่จะเชื่อมั่นในตัวซูมานอินพอพวกเขากลับไปแล้วซูมานอินก็ถามด้วยความประหลาดใจชินเสียวเยเว่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เจ้ากลายเป็นคนใจกว้างไร้ที่ติขนาดนี้คนเราต้องมีวิสัยทัศน์ไกลสิชินเสียวเยเว่หัวเราะอย่างมีเลเสนัยพวกเขาเป็นพวกประเภทที่รู้คุณคนพอพวกเขาหาเงินได้แล้วพวกเราก็จะได้นอนกินสบายๆเงี้ยแหละชั้นดาวถูกใช่ไหมจ้าแม่เล็กเพื่อนรักซูมานอินขมวดคิ้วถูกกับผีนะสิ